เราก็เป็นวัตทมกันเจ้าๆตื่นขึ้นมาเราก็ฝึกหัดกันจิตกลามันก็ไหลเมื่อคืนถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามันมีการไหลความคิดเวลานอนตื่นมาไม่ลุกสักประมาณตี2 3ตี 3, มันจะมีอาการ ฝันก็คือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละบางทีก็ละเมอมือไฟมือฟ้าบางทีก็กระตุกทั้งตัวความคิดทั้งนั้นเลยเราก็เห็นมันตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาเก็บที่นอนหมอนมุ้งต่างๆ พัดผ้หล้างหน้าแปลงปนมันเป็นสติปัญญาเป็นภาวนาขยันรู้รู้ความจริงแต่ละขณะในวัาจักรธรรมของกายกิต ท, ที่คิดเรารู้ทันก็ปลอดภัยแต่รู้ไม่ทันก็รับใช้ กลายเป็นวัตตาสงสารพบเจ้าจรามรณะมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราก็เลยฝึกหัดจิตของเราให้มันอยู่ในแดนที่เป็นวิมุตตหลุดพ้นจากการดูดล้วกกับดักของกิเลน ก็คือตัวคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็หลงเพลอเข้าไปเป็นตันหาอุปทานมันก็ทำได้ถ้าเราคนที่เฝ้าสังเกตมีธรรมวิท ย, ยะคือวิจัยรูปธรรมนามธรรมสติปัญญาจะเป็นเกระาะทำให้เราเจอปลอดภัยเลยปกติคือความปลอดภัย ไม่ปกติมันจะเป็นอาการเกลียดบ้างหงุดหิดบ้างมีความสุขหรือว่าอาการที่มันเรียกว่าผ่อนคลายสบายจนติดติดความสบายเพราะนั้นปฏิบัติตามเราจะเห็นว่ามันเกิดทุกอารมณ์หนักบ้างเบาบ้างรู้บ้างหลงบ้างมีทุกอารมณ์เลย แต่ว่าเรากลับรู้ก็คืองานวิจัยของเรานะรู้เลยเห็นเห็นไม่เข้าไปเป็นตนีตเน้เดินมาทำบัตรตรวจมลนะเกี่ยวกล้องก็รู้ดูการศัสษาลาสิ่งวัตถุหนึ่งสองสามบุคคลหนะึ่งสองสามทำเนียมปฏิบัตินะวัดไปบัติต่างๆใจเราก็ปกติอยู่นรื ว, ว่าเป็นแค่อาการกิริยา เป็นการแสดงออกกายก็มีการแสดงออกเป็นอาการของกายนั่งก็เจ็บก็ปวดก็เมื่อยนะอไหลไปดังความแก่ความเจ็บความตายไหลไปดังนั้นเลยพออายุสักประมาณสี่สิบห้าสิบก็นี่มันก็เป็นไฟเสื่อมอย่างเดียวใบวันประลัดใยสัญญาสนะีก็เตรียมตัว มีปัจจัยสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีให้พร้อมเพื่อจะได้พึ่งตัวเองหลังเกาที่ไม่มีงินทำเลยได้ใจของเก่าคารวดหรือว่าขายีปฏิบัติก็ต้องเตรียมตัวไว้อย่างนั้นพึ่งตัวเองให้มากที่สุดปัจจัยสี่เหมือนกับพระนี่ยปลาพึ่งตัวเองมากที่สุดนนกนไม้นนเรือนว่างนุ่งกล้องกาง นอนทำไปนั่งตั้งใจตรงดำรงสติให้มัน่นะรู้สึกตัวรู้สึกตัวอานาปานสตินะหนื่อยลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือการเคลื่อนการไหวที่เรายกมือสิบสีอย่างว่าอันนี้ก็เป็นหมวดสัมผัปัปพระพนะเป็นการฝึกสติเหมือนกันหนะรือว่าเดินจงกรมก็ใช้เหมือนกันนะเป็นสัญญัปัปพระพ สามประชัญญะประชันกันแบบมีชั้นมีเชิงรู้นัวรู้ตัวไม่เข้าไปอยู่ในตัวรู้ตัว ว, ว่ามันดูตัวอยู่ดูกายก็เห็นกายนีดูกายเห็นจิตจิตคิดเก่งก็เลยได้ทั้งรูปธรรมนามธรรมเห็นเลยว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งฟุ้งซ่านังเลยสงสัย การปฏิบาติต่างๆมันเป็นนิวรธรรมเป็นสภาพธรรมต่าง ๆ, ๆที่แสดงออกระหว่างปฏิบัติเราก็พร้อมเผชิญพร้อมประชันนะนะสัมประชันยะะ น, น, นะเมื่อก่อนเราหลงเปลือกก็ไปแล้วทําไม่นะกระทารมต่างๆอาการต่างๆไม่รู้เท่าไม่รู้ทันก็ต้องเกิดตับมาเองไปเองน ต้องอาศัยเวลานีอ า, ารมณ์ก็ค้างข้ามวันข้ามคืนจนกินไม่ได้จะนอนไม่หลับวิถีชีวิตเป็นวิถีเหมือนแมงเม่านะละบินเข้ากองไฟกบเกลื่อนไปวันวันนั่งหาดูหาฟังดูหนังฟังเพลงเที่ยวเต่เล่น่อนไปแต่ตอนนี้เรามารู้สึกตัวกิดอารมณ์เหล่ า, านั้นขึ้นมาคิดไปแนวเดีย๋ยก็มารู้สึกที่ปัจจุบันที่กาย หลงไปในนาก็กลับมารู้สึกตัวเป็นไปวันที่กายมนุษย์ทุกชีวิตไม่ว่าใครที่ยังไม่เคยฝึกสติก็จะเห็นว่าเจบเพอหลงความไปในความคิดอดีตหาซากความสุขเก่าๆามาเสพมันหายไปแล้วมันตายไปแล้วก็ยังนั่งดูดดื่มกล่มยิ้มันเดียวฝันกลางวัน ผ่านมาแล้วนานแล้วเนความภาคภูมิใจหรือความสำเร็จต่างๆอันนั้นก็คือแล้วนะของสร้างความสุขที่เรายังล้วงอามาเสพบางทีก็หลงเพลอไปนาคุทุกยังไม่เกิดคิดให้ทุกก่อนงี้มัวจะไหลหไปอดีตบ้านาคตบ้างลอกกลับมารู้ปัจจุบันที่กายของเราแต่แลนนะขณะ การเคลื่อนการไหวกันดินจงกลมหรือว่าหันซ้ายแลขวากะพิปตาหายใจขับถ่ายการกินการดื่มการเกี้ยวก็เปนลณะของคนที่เป้าสร้างความเพี่ยนก็จะต้องเห็นความจริงที่ยิบเลยหยาบบางละเอียดบ้างหลงบ้างรู้บ้าง อันนี้แหละนะคือการเดินทางวิปัสสนาก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ตรงตามความเป็นจริงนะเกี่ยวข้องถูกต้องภาวะผู้ดูนะบางทีเราก็ช่วยเหลือนะเช่น ป, ฏ ป, ฏ ป, ฏปิดปัสสาวะต้องช่วยเหลือเขาธาตุขันของเรากายของเราต้องมีห้องน้ำเวลายอยู่น้ำกระหายน้ำก็ต้องเอาน้ำมาดื่มลงไป ที่เราคอยหิวคือลักษณะของน้ำปลานะบางน้ำส้มปั่นมัง่งน้ำฟักทองปั่นบ้างอะไรมากมายเหลือเกินแต่ว่าจะเป็นพระสงนี่น้ำปั่นเนี่จต้องเล็กกว่ากำปัน้นนน้ำปลาหน้าต้องเล็กกว่ากำปัน้นแล้วก็ใช้น้ำคั้นไม่เหลือกากก็ถึงจะเรียกว่าน้ำปั่นนะตาตอนหลังนี่ที่นี่ก็ เหยนหยืไปเราก็ไม่ได้เอาปวินัยตัวนั้นมาจับกันนะกาน้ํามันเทศบางน้ําธัญพืชบ้างนมะวัวนมควายบางอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้นะจะต้องเป็นน้ำผลไม้ที่เล็กกว่ากขมปั้นตัวนั้นแล้วกันไม่เหลือกลางอันนี้ถูกต้องตรงตามพระวิีณานะตามสมมุิบัญญัตินะเราก็รู้จักนะการดืม่ม ก็หมายถึงว่าน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาน้ำจื ด, จดไร้รสชาติแต่ขาดไม่ได้มันจืดมันไล้รสชาติแต่ว่าอ้อพอดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกสดชื่นขาดไม่ได้ทั้งวันหวานก็ต้องมาดื่มน้ำจืดขมก็ต้องมาดื่มน้ำจืดก็เหมือนกับจิตที่เป็นปกติจะสุขขนาดไหนก็ต้องกลับมาปกติจะทุกข์ขนาดไหนก็ต้องมาปกติ เราก็เลยรู้แล้วว่าสภาวะของปกติจิตคือมาตรฐานคือบ้านนะคือชีวิตทีวอาของเราพอนะอยู่หอบลมที่ข้างหมกมุ่นย้ำคิดย้ำทำนะตอกย้ำตัวเองอันนั้นก็ขาดตุนนะเป็นชีวิตทีนะ่ตัวเองทำตัวเองตลัดเวลาเวลานั้นเราก็จึงนะมารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเพจะตัดวงจร อ, อุบาท t ี i ท i n งไปนะ เป็นวงจรอุบาตคิดแล้วกลล็ลบคิดแล้วกอดคิดแล้วก็หลงคิอแล้วรักคิดแล้วจางอิจาร์ลิสยาเป็นบันทินเครื่องเศร้ามองที่นอนเนื่องอยู่ในชีวิตหนักอึง้งเราก็ไม่เอาเช่นนั้นเพราะ ว, วิมุตติหลุดพ้นก็มีเปลี่ยนความคิดความโกรธเป็นความปกติก็ทําได้ปฏิบททัติรรมเปลี่ยนความทุกข์ที่มันเกิดจากความคิดจอตั้งมันเหมือนกับ หนักอึ้งกินไม่ได้นอะนม่หลับเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวนะการเคลื่อนการไหวแล้วนันก็จะตัดให้เราทันทีกรรมต่างๆดนะวงจรต่างๆนะขาดสะบั้นลงทันทีนะจากคนก็เป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็เป็นกาลยานุพุทธชนนะยกจิตขึ้นมาเป็นปรมเป็นพระกลายเป็นคนที่มีกำลังใจขึ้นมา มันจะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทุกครั้งที่เผอหลงมันก็รู้ว่าร้อนมันไม่ไปเอามันไม่ไปอยู่มันรู้ทุกมันเห็นทุกมันรู้ทุกการเคลื่อนการไหวทุกทุกขณะคือตัวทุกไงกายเคลื่อนไหวทุกขณะมันแก้ทุกงเงียบอดมันบังทุกนั่งเดินยืนนอนเราก็เลยนั่ง ไปดูการเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเงี้ยเดี๋ยวมีการร้อนยาการหนาวเย็นร้อนอ่อนแข็งคือสภาวะที่ถ้าไม่มีสติรู้เท่ารู้ทันกายเป็นความทุกข์กายต้องต่งหัวจาดเท้าอางเงี้ยบางทีก็หลงไปในความสวยความงามของกล้องก้อนกระดูกอ่อนก็มีหลงจมูกหลงดั้งหลงตาสองชั้น หลงคิ้วหลงคางหลงแก้มหลงรอยตินกาหลงสิวเม็ดเดียวก็ฆ่าตัวตายได้มันก็เป็นไปขนาดนั้นหลงผมมันผมแห้งผมแตกปายก็กลายเป็นความทุกข์พอเรามารู้สึกตื่นก็เป็นธรรมชาติแก่ตามธรรมชาติเจ็บตามธรรมชาติตายก็เป็นธรรมดาธรรมดามันก็เป็นความปกติ เกินสู่ธรรมชาติดินสู่ดินน้ําสู่น้ํำลมสู่ลมไฟสู่ไฟส่วนจิตของเราที่มันไหลไปคิดปรุงแต่งโดยไม่ได้เจตนาอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของฝ่ายหลงเป็นอกุศลธรรมเป็นความมืดเป็นความโง่ไม่ต้องสงสัยเลยชีวิตก็ไปในทางเสื่อมแทนที่จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองอยู่แบบปัจจัยสี่ปลอมมูล เงินก็ไม่จนใจก็ไม่จนเพราะใจของเรามีสติมีปัญญาสามารถที่จะหลุดพ้นมาได้จากทุกๆประสบการณ์ของปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็รู้เท่ารู้ทันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไม่เหมือนกับว่าทาไมทําไมอันนี้มันหนัก นี่เป็นเรื่องของคนที่ไม่ได้ศึกษาคนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยมีฉันทะไม่เคยมีปริยะไม่เคยมีจิตตไม่เคยมีวิวังสานะไม่มีองค์ธรรมแห่งความสำเร็จนะไม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่การพ่ยแพ้นะมีแต่ความหมดหวังสิ้นหวังนะมีแต่ล้มเหลวนะมันก็จึงเป็นตัวฝ่ายที่พาให้นะชีวิตของเราเนะี่ย เปี่ยนวัยตายเกิดนะย้ำคิดย้ำต่ำในศาสนาพุทธนี่มองนะการเกิดการตายชาตินี้ชาติหน้านะนะมองเป็นเรื่องของความจริงที่เรานะยังไม่ต้องไปรู้ก็ได้นะชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนๆนะถ้าเป็นพุทธแท้แทนะถ้าพูดแบบปลามมี ร่นในหลายๆศาสานาก็มีแต่พุทธนี Put, น่ที่ทำให้เราหลุดพ้นจริงๆในวันเป็นเดือน6 5, ขคืน5ันหาคำยาม3ามเปรลกาเมื่อสองวันก่อ น, นอันนี้ก็คือเห็นสังขารจิตตสังขารอาการเกิดดับเป็นภพชาติอยู่ในจิตของเราเวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งขณะนะหนึ่งขณะนะเนี่ยเสี้ยววินาทนีมันสามารถคิดได้ทันที นึงวันมี24ชั่วโมงนะคร น, นี้ในแต่วินาทีวินาทีทัาซอยไปแล้วโอ้โหชั่วโมงหนึ่งก็0 0นะมพกรูสนันอะจิตอย่างน้อยนะหนึ่งชั่วโมงนงนะวัน น, นึงมมีนับแสนแสนวขวากนะจิตเป็นล้านขวาขนะจิตจากยาไปหาละเอียดเรคือพบชาตนะิหนึ่งวันนี่มันมีหลายพบหลายชาติมากอนะสงไขแสนกับ แสนกันถ้าเราตีค่าอย่างนี้มันก็สามารถที่จะทําทได้จริงๆแต่ชาตินี้ชาติหน้าหลังตายเผาเสร็จแล้วว่าจิตวิญญาณก็แยกกันไปไปหาล่างเกิดใหม่ขดีกวามเชื่อบางคนไปเกิดเป็นหมูเป็นหม า, เ ป, าเป็นไก่เป็นไก่ถ้าไปทางตาไปเกิดเป็นสัตว์ปีกอย่างเงี้ยเราเจออย่างนั้น ถ้าไปทางหูวเกิดเป็นสัตว์สี่เท้าทางจมูกเป็นสัตว์สี่เท้าถ้าจิตวิญญาณออกไปทางปากมันก็เป็นสัตว์น้ําก็เชื่อกันไปอย่างนั้นจะจริงหรือไม่จริงเอาไว้ดูตอนที่ถึงเวลาคิวของเรามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่แต่อันนี้เราไม่ต้องรอเราจะเห็นเลยว่าอมันคิดเกิดดับเกิดดับขณะที่เรามีความรู้สึกตัวที่ฐานกาย เบื้องต้นน่ยแยกตรงนี้ก่อนขณะเรารู้สึกตัวที่ฐานกายเราจะเห็นเลยว่าอ๋อสัมผัสที่กายมันไม่ใช่จิตคิดก็ละตัวกันนะแต่มันเป็นวิญญานมันเป็นธาตรู้นะพอเกิดความคิดขึ้นมานะสติที่เราระลึกรู้นะบิญยาณธาตนะุในว่าเห็นกายในกายนะเห็นกายในกายไม่ใช่สักตัว ต, วตวนบุคคลเราเขาเขาเรียกว่ามันรู้แบบปล่อยแบบวาง สติมันมีกำลังก็เวลาเกิดความคิดขึ้นมามันก็ไปรู้ทันทนีเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกในจิตของเราน่นแหละแล้วก็จิตกายใสายกายอยู่ด้วยพอสติมันรูน้มันก็จะหยุดทันทีนหยุดปรุงทันทนีตรงนี้นะเรียกว่าดับพบดับชาติมันเกิดเองดับเองอนะั้นเราทุกข์ แต่นี้พอมันเกิดขึ้นมาสติรู้เท่ารู้ทัานอันนี้เรียกว่าตัดภบตัดชาติเป็นหน้าที่ของสติที่เราไม่ต้องร้องขอเป็นคุณธรรมเป็นตัวธิภาพเป็นคุณภาพของสติที่เขเป็นผู้ที่เรียกว่านายตะวันบานปกป้องคุ้มครองให้จิตของเรานี่มันทุกข์ยากสุขง่ายเป็นปกติธรรม เป็นมาตรฐานเป็นบ้านพันเวลามันมีกองไฟอยู่ไฟราคะไฟโทสะ ไ, ไฟโลภะจิตของเราจะไม่เผลอหลงนะเข้าไปจนกระทั่งเหมือนกับไม่เตรียมทุลนทุลายครับอกครับใจเหมือนกับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากสติเป็นเกราะให้มันจะไม่ไปถึงกระดานนั้นพอรู้เท่ารู้ทันปับ๊บมันหลุดพ้นทันที ถ้าเราได้เห็นสักครั้งจะเห็นว่าโอ้ชีวิตของเรานี่มันมันมีสะละแล้วก็มันก็มีความสามารถมีปัญญาทุกคนมีปัญญาทุกทุกขณะสภาวะของธาตรู้ที่ทำงานยากก็เนื่งมาจากเราไม่ค่อยได้ฝึกให้เขารู้สึกที่ฐานกาย แล้วก็รู้ทันเวลาจิตมันคิดนึกปรุงต่างใหม่ๆก็จึงมีสติรู้สึกกายรู้สึกกายรู้สึกกายนะมีสติเห็นกายในกายไม่ใช่สตรูตนบุคคลเราเขาอย่างเงี้ยนะต่อมาก็คือให้มีสติเห็นจิตนะจิตก็คืออาการที่มันคิดเก่งนะเห็นจิตในจิตก็มันมีจิตที่ปกติอยู่กับนะจิตที่ไม่ปกติจิตไม่ปกติมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยนะ เราเห็นจิตปกติอยู่จิตปกติก็เกิดดับเหมือนกันเวลามีหลงก็มารู้ก็หายไปเวลามีรู้ก็มาหลงก็หายไปเราก็ทำให้ปกติมันเด่นจะท น, นสติมันตื่นตัวรู้รอบกองสังขารตรงนี้นก็มีสติเห็นจิตในจิตไม่ใช่สติตนบกคนเราเขาอันนี้เราก็ต้องเฝ้าดูแงให้ทียิบเลยทั้งวันเรจะตื่นยันหลับ แล้วเราก็จะเห็นจิตในจิตจิตก็คือสภาวะอาการที่มันคิดขึ้นมาในจิตก็คือจิตสอนจิตจิตที่มันสอนจิตก็คือมันคิดดีขึ้นมาอยู่ในกรอบของความดีความงามอย่างนี้นะจิตอีกตัวก็คือลักษณะของจิตที่ทุกข์จิตที่เป็นบาปจิตที่โง่จิตที่มืด จิตที่เป็นตัวกิเลสเป็นตัวที่ทําให้เกิดตัณหาอุปทานต่างๆมากมายซ้อนเข้าม า, เอ า, า, มม เ, ามเอาความโกรธมาเป็นความโกรธเอาความรอดมาเป็นความทุกข์เอาความทุกข์มาเป็นความทุกข์อย่างนี้นจิตตัวนี้มันก็จะสอนที่หลังอย่านะอย่าทําอย่างนั้นอีกนะจะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วนะมันเริ่มสอนนจิตสอนจิตนะเราก็มีสติ ดูจิตมันก็คือก็คือยกเลิกนะการสอนของจิตไม่ต้องเลยออกมาอย่างเดียวเลยนะเวลาเราเจอคนบางคนเราไม่สอนเลยนะออกมาอย่างเดียวเลยให้ก็สอนตัวเขาเองก็คือประสบการสอนตนเช่นลูกดือ้อเช่นเพื่อนไม่เข้าใจนะเพื่อนหลงทิศหลงทางหรือว่านะอีกหลายคนที่เป็นล้กนะของมิจฉาทิฏฐิ เรากา็รอได้คอยได้เขาสอนตัวเขาเองเมื่อเขารู้ว่าเขาทุกข์เดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเองเรียกว่าแพ้ภัยพอหลังจากที่เขาแพ้ภัยตัวเองเดี๋ยวเขาก็กลับมาเปลี่ยนไปอะไรที่เป็นความดีความงามก็เข้าหาตัวนั้นก็กลายเป็นเรื่องเดียวกันทุกคนก็สันสัง้ง ส, นสันตัวเองจิตทุกดวงก็เหมือนอย่างนั้นพยายามที่จะเรียกว่าหนีรอนมาพึ่งเย็น แต่ก่อนที่จะเจอความเย็นก็ต้องพยายามบอกหนอนอยู่กับคูก็บอกว่าเออมันสกปกนะออกมาจากคูดซะอย่างงี้นะปลาอยู่ในน้ําอยู่นานๆก็บอกเออบอกก็มีนะก็ออกมาจากน้นําปนรูปกจะได้รู้โลกกว้างอย่างเงี้นะเหมือนกับ น, นิทานเรื่องหนึ่งก็บอกว่ามีเต่าตัวหนึ่งอยู่ในน้ํำ เสร็จแล้วนกกสาสามารถอยู่ในน้ำก็ได้ใบน้ำหาปลายกินหรืออยู่บนบกก็ได้หรือแม้กระทั่งบินขึ้นท้องฟ้าเห็นวิวทิวทัศน์เห็นน้ำเห็นแผ่นดินอันกว้างไกลเห็นภูเขาทิวไม้ลิบๆสามารถที่จะมีความรู้ฟ้างอิสระภาพวันหนึ่งเต่าเบิ่นรัก มาเจอกันนกกระสายัางบอกว่าเพื่อนทำไมอยู่แต่ในน้ำละ่ะบนบกก็มีโอ้เราก็ไปมาบนบกนะเราเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกอา้าบนอากาศก็มีเจ้าเคยขึ้นไปไหมข้าไม่มีปีกเหมือนเองเนี่ยอา่าไม่เป็นไรถ้าอยากจะขึ้นไปเดี๋ยวข้าขาข้านะ ไปไม่ไปดูกันไหมย่าตากบอกโอ้ข้าก็อยากเห็นเหมือนกันเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันเคยเห็นว่าฟ้าเป็นยังไงแล้วขึ้นไปบนอากาศมันจะเป็นยังไงอย่าเงี้ยถ้าใส่ความอนุเคราะห์ของเพื่อนเราก็ยินดีนะเี้ยแต่ว่าข้าขอเตือนนกสาพูดถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเอาปากคาบข า, ข, าข้าห้ามพูดเด็ดขาดแล้วนะถ้าจะพูดเนี่ย มันจะเป็นยังไงล่ะลองนึกดูปากอ้าปากก็ลดุจขาข้าตกลงมากระดองก็จะแตกนะเต่าก็เลยบอกขาอ่ะข้าจะไม่อ้าปากรับปากนะอืมอืมอืมอืมขาบขาเสร็จนกสาก็พาบินขึ้นไปเต่าก็ลอยแะลีว่วอิสระาาพาเกิดก้นมาเบาวิวเลย ไม่ต้องบินเพียงแค่ใช้ปากคาบก็ได้เห็นโลกกนะว้างไกลดีอกดีใจมากเพราะไม่เคยเห็นวิวสวยกระดาษนั้นโอ้น้ําที่เคยอยู่กว้างขวา ง, วางนะตอนอยู่ในน้ําเราก็ไม่เห็นน้นํานี่ขึ้นมาถึงเห็นน้ําไปอย่างนี้ตอนอยู่กับแผ่นดินเราก็ไม่เห็นน่าแผ่นดินกว้างขวา ง, วางนะพออยู่เหนือแผ่นดินอยู่เหนือน้ําขึ้นมาก็เห็นโอ้ดีใจมากอัศจรรย์ใจ ธรรมชาติเป็นแบบนี้หรือก็นึกใจเป็นบุญใจดีขึ้นมาอยากจะบอกขอบคุณกับเพื่อนของเราแต่ทันที่จะรอเวลาไม่รอก็อาปากขอบใจเพื่อนขอบคุณนะหลุดลงมาปากระกระดองกระแทกแผ่นดินอย่างแรงเหลือไม่เท่าเก่าอย่างเงี้ยอันนี้แหละก็คืออารมณ์ปฏิบัติ เวลาเราปฏิบัติทำเนะี่ยมันจะมีความเบาขึ้นมานมันจะมีความโล่งโปร่งขึ้นมาเราก็จะอาใส่ความโล่งโปร่งเป็นคําพูดเป็นอารมณ์บุญต่างๆเวลาปฏิบัติเรายกเลิกไปก่อ น, นคําพูดต่างๆให้เหลือแต่สัมผัสรู้รู้สึกใฐานกายกรรมฐานของเราใจมีสติอยู่กับกายใจมีสติอยู่กับกาย เราก็จะเห็นว่ า, ามีสติรู้ทันจิตด้วยเวลาจิตคิดจิตสอนจิตกรณีในะดก็ตามเป็นวิตกวิจารวิภาวิจารมันจะกลับมาเป็นความรู้สึกตัวนะจะเกิดเป็นความปกติทันทีนะแล้วท้ายสุดก็คือสติก็จะรู้สติพอสติรู้สติก็คือได้ที่อยู่จะเห็นนะชัยภูมนะิสภาวะของผู้ดนะูที่เป็นความอบอุ่น เป็นความปล่อยเป็นความวางเป็นความว่างแต่ว่างแล้วรู้เป็นความเฉยอเวขาทรรเฉยแล้วรู้อย่างเงี้ยเป็นความตรงตรงไปตรงมาอะไรเกิดเป็นปัจจุบันขณะก็จะตรงรู้เท่ารู้ทันด้วยว่ารู้เป็นปัจจุบันรู้ซื่อๆรู้ตรงๆงเงี้ยมันก็จะเห็นความจริงได้ที่พึ่งแล้วก็จึงไม่เผลอ ไปทําอย่างอื่นกันเวลาเข้ากรรมฐานเนะที่ยวเพล่ก็ทำอย่างอื่นคืออะไรนะเวลาไปปฏิบัติธรรมมันจะเกิดนะปิติสุขขึ้นมานะอารมณ์บุญก็จะเกิดขึ้นมาพออารมณ์บุญเกิดขึ้นมาก็เนี้ยมันจะไปทําอย่างอื่นที่เป็นความคิดนะก็เรียกว่าไม่ต้องร้องขออะไรหรอกค่เนี้ยมันจะผลขว่าเองนะอารมณ์บุญถ้าเกิดในงานขึ้นมาเนี้ยเราจะขยันทํางานทันที ถ้าเกิดในการอยู่กับเพื่อนเราจะช่วยเหลือเพื่อนทันทีเห็นเพื่อนกะอะไรอลากผลขวายกุรีอุจอทันทีนะอันนี้นเป็นอารมณ์บุญเราก็จะรู้จักบุญแล้วก็ผ่านบุญทันทีก็คือกลับมาที่ความรู้สึกตัวเวลามันเกิดความพอใจไม่พอใจความรู้สึกตัวจะยิ่งชัดขึ้นทันทีนะเวลามีอารมณ์มากระทบทางตาโอ้จะบริเลีกายใจความรู้สึกตัวจะชัดทันทีนะอันนี้แหละ ก็คือการเรียนรู้ที่จะต้องเดินเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปเห็นกายเห็นเวนาสุกทุกที่มันเกิดขึ้นมาเห็นจิตของเราเห็นธรรมอารมณ์ต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นมาทียิบเลยหรือว่าภายในเกิดขึ้นมาเป็นสติสีสมาธิปัญญาเป็นความอดทนเป็นความเมตตากราณนายายชั่วครัวบาปต่างๆ เป็นคุณธรรมภายในที่เกิดขึ้นมาเราก็รู้เท่ารู้ทันอย่างนี้นะมันก็จะสนุกลักษณะของการฝึกจิตแล้วก็มีพัฒนาการให้เราได้เห็นการเกิดดับต่างๆผ่านความรู้เนื้อรู้ตัวที่ฐานกายเห็นทุกอย่างดูกายเห็นจิตดูจิตเห็นคิดไปเลยนะแต่เพราะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคน น, นได้สำรวมระมัดระวังจริงๆมีความรู้เนื้อรู้ตัวไปทวีเวกไม่คุกคือเฉพาะกลุ่มพยาบาล วันนี้เรามาเป็นวันที่สนะีครึ่งต่างแล้วตั้แต่เช้าบัดนี้เป็นต้นไปเราก็จะปฏิบัติธรรมกันต่างคนก็ต้องมีมุมของใครของเรานะนั่งเดินนั่งเดินทั้งวันนะเราคอยฟังเสียงสัญญาณอีกนิดนึงจะคอยบอกว่าไปทานอาหารเช้านะหรือว่าเวลาจัดอาหารเสร็จปับ๊บเราก็มาลงฐานกันแล้วคอยฟังสัญญาณนะเวลาทานอาหารเพลอีกแล้วนะ จเรากลับมาลงฐานกันสัญญาณก็จะดังอีกทีแล้วก็บอกว่าไปดื่มน้ำปานะนะอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวธรวัดเย็นกันวันนี้เราก็จะงดพูดเพื่อภาวนากันทั้งวันเลยนะเอละเห็นว่าสมควรากาบ阿拉กราพระพ้อมอกัน